2.37 ตัวเราเหมือนหมูกระดาษวงเล็บเปิด1 29ธันวาคม2550ในวงเล็บสองจุดจุดนาทีศวงเล็บปิดถ้าตั้งอกตั้งใจภาวนาพอจิตตื่นขึ้นมามันง่ายนิดเดียวจริงๆ ง, ง่ายเราไปทำให้มันยากเองมันจะยากอะไรถูกเข้าด่าแล้วโกรธรู้ว่าโกรธนี่ถ้าจะให้ยากก็ต้องไม่โกรธ ทำอย่างไรจะไม่โกรธนี่ยากนะหรือโกรธแล้วทาอย่างไรจะดับนี่ยากถูกเขาด่าแล้วโกรธก็รู้ว่าโกรธใครก็ทำได้เพียงแต่เรานึกไม่ถึงว่าการปฏิบัติจะง่ายขนาดนั้นธรรมะก็ธรรมดานั่นแหละธรรมะไม่ธรรมดาแล้วมันจะเป็นธรรมะได้อย่างไรธรรมะกับธรรมดามันก็คำเดียวกันนั่นแหละ เราเรียนธรรมดาของกายธรรมดาของใจนะจนเห็นว่าโอ้ยมันธรรมดาอย่างร่างกายนี้ต้องเจ็บต้องตายเป็นเรื่องธรรมดาหรือจิตใจเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวสงบเดี๋ยวฟุ้งซ่านเป็นเรื่องธรรมดาถ้ายอมรับความธรรมดาใจก็เข้าสุขความเป็นกลางไม่ดิน้นมีวิธีฝึกกรรมฐานง่ายๆอยู่อันหนึ่งอันนี้อยากฝากญาติโยมไปดูกระทั่งพระก็ได้นะ คือแต่ละคนจะแอบสร้างพบขึ้นมาสร้างพบคือสร้างสภาวะอะไรขึ้นมาบางอย่างจะสร้างกันทุกคนแหละ เวลาเจอคนนี้ก็ต้องวางมานมันจะสร้างขึ้นมาตลอดเวลาหรือเวลาบางคนจะคุยกับหลวงพ่อต้องทำเสียงหล่อๆหน่อยต้องให้มันไม่ธรรมดาเนี่ยเสยแสร้งสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อให้ดูดีลองสังเกตตัวเองดูกระทบเปลือกตัวเองออกจนเห็นเลยตัวจริงของเราเป็นอย่างไรเราชอบสร้างภาพหลอกๆขึ้นมาอย่างเราเจอคนแต่ละวันแต่ละวันเราจะสร้างมานขึ้นมาเจอลูกค้าเราก็ต้องทำอย่างนี้เจอเจ้านายก็ต้องทำท่านี้เจอสาวเราก็ต้องทำอย่างนี้ ต้องวางฟอร์มฟอร์มที่สร้างขึ้นคือสภาวะนั่นเองคือพบอันหนึ่งบางทีก็เป็นพบของพ่อวางฟอร์มเป็นพ่อบางทีก็วางฟอร์มเป็นแม่วางฟอร์มเป็นนางเอกมีนะวางฟอร์มเป็นนางเอกทำเศร้าๆมีหยดน้ําตาและหยดเลือดเยิอมๆในใจชอบนักเฉียวหาเรื่องลงนรกแท้ๆเลยสะใจเจ็บๆแสบๆคันๆโอ๊ยชอบชอบเข้าไปได้อย่างไรทําให้จิตคุ้นเคยกับอากุศลแต่ละคนจะวางฟอร์มฉะนั้นให้เรารู้ทัน พบทั้งหลายถ้าเรารู้ทันเราจะหลุดออกมาไม่มีอะไรว่างๆไม่มีอะไรแต่ถ้ารู้ไม่ทันมันก็สร้างภาพขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างสวยงามอย่างโน้นอย่าง น, น, างนี้พวกเราแต่ละคนเหมือนหมูกระดาษนะเราปั้นขึ้นมาถ้าเรารู้ตัวจริงมันไม่ได้มีจริงเราค่อยๆลอกเปลือกมันออกลอกสิ่งที่ปรุงแต่งออกไปลอกออกไปเป็นชั้นๆลอกออกไปเรื่อยถึงจุดหนึ่งจะเข้าไปถึงตัวจริงของมัน ตัวจริงของมันไม่มีอะไรเลยมันมาจากความว่างเปล่าแล้วก็สร้างขึ้นมาจนเป็นตัวเป็นตนแต่ถ้าเมื่อใดเราลอกตัวเองออกไปเรื่อยลอกความปรุงแต่งออกไปเรื่อยจนถึงสุดท้ายลอกชั้นในออกไปสุดท้ายภายในก็เป็นความว่างๆอาจจะขังอากาศอยู่พอเปลือกกระดาษหลุดออกไปแล้วอากาศนั้นก็กระจายรวมกับอากาศข้างนอกนั่นเองเพราะฉะนั้นการภาวนาก็เหมือนกันนะถ้าจิตพ้นจากความห่อหุ้มนะไม่ได้มีเปลือกห่อหุ้ม ไม่ได้สร้างระบบใดๆห่อหุ้มมันจะกลืนเข้ากับอากาศข้างนอกนั่นกลืนเข้ากับโลกฉะนั้นเราภาวนาจนถึงจุดสุดท้ายจิตกับธรรมชาติที่แวดล้อมอยู่จะกลมกลืนเป็นอันเดียวกันหลวงปู่ดูลเคยสอนหลวงพ่อว่าเครื่องหมายคำพูดเปิดวันใดเธอเห็นว่าจิตกับสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งเดียวกันเธอจะแจมแจ้งฉับพลันนั้นเลยปิดเครื่องหมายคำพูดเราฟังก็นึกว่าเป็นวิธีปฏิบัตินะแต่ไม่รู้จะปฏิบัติอย่างไร ก็ดูจิตของเราไปเรื่อยดูไปจนกระทั่งวันหนึ่งพอเราไม่ยึดถือจิตสัอย่างเดียวเราสลัดคลื่นจิตจิตกับโลกกลมกลืนเป็นอันเดียวกันนั่นเองวันหนึ่งภาคเพียรไปดูกายดูใจของเราไปเราปลกเปลือกตัวเองล่อนจ้อนไม่มีอะไรเหลือเลยเราจะพบตัวจริงของเราซึ่งไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นเราภาวนาแล้วเราจะไม่ได้อะไรมาและไม่ได้เสียอะไรไปเพราะเราไม่มีอะไรตั้งแต่แรกแล้วไม่มีอะไรเลย แต่จิตถัดจากนั้นจะเป็นอย่างไรจิตที่ปล่อยวางจิตไปแล้วจะมีแต่ความสุขล้วนๆยืนเดินนั่งนอนมีแต่ความสุขล้วนๆเกิดอะไรขึ้นจิตจะไม่กระเพื่อมไหวเลยกลมเกลียวเป็นเนื้อเดียวกับธรรมชาติอยู่อย่างนั้นฉะนั้นจิตกับธรรมะก็เป็นอันเดียวกันหลอมรวมเข้าด้วยกันจิตที่หลอมรว ม, รวมกับธรรมะเป็นอันเดียวกันจิตอันนั้นเรียกว่าพระสงฆ์จิตอันนั้นเป็นพระพุทธพุทธะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นอันเดียวกัน เป็นเรื่องที่แปลกนะเวลาเราภาวนาเบื้องต้นเรารู้สึกพระพุทธก็อันหนึ่งพระธรรมก็อันหนึ่งพระสงฆ์ก็อันหนึ่งแต่โดยเนื้อแท้แล้วเป็นอันเดียวกันเป็นความไม่มีอะไรเป็นธรรมะนั่นเองแต่ไม่ใช่แบบว่างเปล่าสาบสูนถ้าสาบสูนเป็นมิจฉาทิฐิมีแต่ความสุขล้นล้วนเลยเมื่อเรากระทบเราสัมผัสเราระลึกถึงฉะนั้นถ้าเราฝึกจนถึงจุดที่เราปล่อยวางจิตได้แล้วเวลาเรามานสิการถึงนิพพานนิพพานกับจิต ก็สัมผัสกันอยู่ตรงนั้นเลยนิพพานไม่ใช่ต้องเข้าสมาธิแล้วส่งจิตไปดูค่อยฝึกนะแล้วจะมีความสุขอันมหาศาลรออยู่ข้างหน้าหัดเบื้องต้นก็มีความสุขเกิดน้อยไปก่อนคนไม่มีสติพอมีสติขึ้นมาก็มีแต่ความสุขคนไม่มีศีลพอมีศีลขึ้นมาก็มีความสุขคนไม่เคยมีสัมมาสมาธิพอจิตมีสัมมาสมาธิจิตตั้งมั่นไม่หลงไม่เผลอไปตามอารมณ์สักว่ารู้ว่าเห็นอยู่ก็มีความสุข จิตที่มีวิมุตตมีปัญญาขึ้นมาก็มีความสุขมีวิมุตตขึ้นมาก็มีความสุขเราภาวนาไปเราจะมีความสุขเป็นลำดับลาดับไปเบื้องต้นมีความสุขจากการรู้สึกตัวก่อนหัดตัวนี้ให้ได้ก่อนยังพอเรามีความสุขจากการรู้สึกตัวมันจะรู้สึกตัวบ่อยเพราะเราชอบแล้วเราชอบรู้สึกตัวเราไม่ชอบเผลอแล้วแต่เดิมคิดว่าเผลอๆเพลินๆมีความสุขรู้สึกตัวไม่มีความสุขเพราะรู้สึกตัวแล้วเห็นแต่ทุกข์ เห็นกายเป็นทุกข์เห็นใจเป็นทุกข์แต่พอเรารู้สึกตัวเป็นรู้สึกไปเรื่อยจะพบว่าทันทีที่รู้สึกตัวมีความสุขขึ้นมามีความสุขโชยแผ่ๆขึ้นมานี่สุขในตัวเองเราก็เห็นทุกสิ่งทุกอย่างเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเมื่อใดใจหลงเข้าไปแทรกแซงความทุกข์ก็เกิดขึ้นเมื่อใดใจไม่แทรกแซงคิดว่ารู้คิดว่าเห็นก็มีความสุขตรงนี้เป็นความสุขที่กายใจตั้งมั่นใจมีปัญญาแต่ยังไม่ใช่ความสุขถึงที่สุด ความสุขของศาสนาพุทธนั้นลึกซึ้งเป็นชั้นๆไปคนในโลกใจมันคลุกอยู่กับอารมณ์ยังมีความอยากขึ้นมาแล้วได้รับการตอบสนองสมอยากแล้วมีความสุขไม่สมอยากแล้วถึงจะทุกข์นี่ตื้นที่สุดเลยพวกเราผู้ภาวนาจะเห็นเลยถ้ามีความอยากแล้วจะทุกข์ถ้าไม่มีความอยากแล้วไม่ทุกข์จะเห็นอย่างนี้ถ้าถึงจุดสุดท้ายจะเห็นเลยจะมีความอยากหรือไม่มีความอยากขันห้านี้ก็เป็นทุกข์โดยตัวของมันเอง ถ้าเห็นอย่างนี้เรียกว่ารู้อริยสัจแจ่มแจ้งแล้วรู้ว่าขันห้าเป็นตัวทุกข์ของมันเอง <c oughs> ความอยากจะให้ขันห้าเป็นสุขจะไม่มีอีกต่อไปแล้วเ <c oughs> พราะรู้ว่ามันเป็นตัวทุกข์ทําอย่างไรมันก็ทุกข์อย่างเรารู้ว่าไฟนี่เป็นของร้อนเราก็ไม่ต้องไปอยากให้มันเย็นนะอย่างไรมันก็ร้อนเราไม่โง่พอที่จะอยากให้ไฟอันนี้เย็นจะไม่โง่ขนาดนั้นค <c oughs> <c oughs> ือจิตที่มันรู้ว่าขันเป็นของร้อนมันจะไม่ไปหยิบฉวยขันขึ้นมาอีกแล้วไม่ไปหยิบฉวยจิต ไม่ไปหยิบฉวยขันตัวเราที่จริงไม่มีเราไปสร้างตัวเองขึ้นมาก่อนว่าฉันคืออย่างนี้สร้างภาพหลอกๆขึ้นมาจากความไม่มีอะไรก็ให้มันมีขึ้นมานี่หลวงพ่อพูดเรื่องหมูกระดาษอะไรนะ่ะเพราะจริงๆมันไม่มีนั่นแหละไปสร้างมันขึ้นมาหน้าทีก็แค่รู้ทันแล้วเลิกสร้างไปวงเล็บเปิดสองมกราคม2551วงเล็บสองวงเล็บปิด ตัวหมูกระดาษจริงๆหมายถึงว่าแต่เดิมมันไม่มีหรอกคือในความเป็นจริงไม่มีตัวเรามาตั้งแต่แรกแล้วแต่ว่าเราไปสร้างภาพสร้างเปลือกอะไรขึ้นมาจนเรารู้สึกว่าเรามีอยู่จริงเพราะเรารู้ทันเปลือกที่เราสร้างวันหนึ่งเราไม่สร้างเปลือกนะเราก็พบว่าจริงๆเราไม่มีอะไรอยู่ตั้งแต่แรกแล้วเพราะฉะนั้นไม่ได้อะไรมาไม่เสียอะไรไปวงเล็บเปิด 3. 30มีนาคม2551ในวงเล็บสองจุด นาทีสิบเอ็ดวงเล็บปิดคำว่าในเครื่องหมายคำพูดหมูกระดาษพูดภาษาบาลีเลยก็คือคำว่าพบนั่นเองจิตเราชอบสร้างสภาวะบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาแล้วเราก็ไปติดอยู่ในสภาวะอันนั้นเช่นทันทีที่เราคิดเรื่องการปฏิบัตินะเราก็จัดแจงบังคับใจของเราให้นิ่งๆแล้วเราก็แช่อยู่กับความนิ่งนี่เรียกว่าติดในพบเวลาเราเจอคนนี้เราก็วางฟอร์มแบบนี้ เจอคนนี้เราก็ทำแบบนี้เราเปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติไปเรื่อยๆ เ, เรียกว่าเปลี่ยนเปลือกเปลี่ยนหน้ากากเปลี่ยนหมู ก, กระดาษไปเรื่อยๆมันไม่ใช่ตัวจริงตัวจริงไม่มี